วันนี้วันที่28ธันวาคมเนาะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะเราก็เดินสุ ด, ดงกันมาเกือบจะเป็นช่วงสุดท้ายนะวันนี้ก็พักที่ป่าช้าบ้านวากเหนือทนระงกระ บ, บันพระใหญ่ด้วยนะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะนะ ที่เราได้อยู่เป็นสังฆะเป็นหมู่มิตรด้วยกันแล้วก็จะพูดต่อในเรื่องความมีเมตตากรุณาซึ่งเป็นความมีเมตตากรุณาที่ประกอบด้วยปัญญาคนเรานะถ้าถ้าไม่เห็นถ้าไม่เห็นว่าสิ่งที่เมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือว่าต่อตอนเองแล้ว ม, มันมีคุณเช่นไรน เราก็จะถูกความโกรธถูกหรือว่าถูกความหลงครอบงำจิตใจแล้วก็เราก็ทำตามความโกรธหรือทำตามความหลงได้ง่ายแต่ถ้าผู้ที่มีเป็นญานะก็จะเห็นโทษเห็นภัยของความโกรธความหลงก็จะนะก็จะละเสียแล้วก็มีจิตใจที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นปกติเข้ามาแทนที่อย่างตัวอย่างหนึ่งที่ ที่ได้ไปฟังท่านเดลัยอมารมคพูดเนาะท่านถ้าก็มีทาก็พูดตอนหนึ่งว่า ท, ที่ทิเบตนะมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งก็โดนโดนทหารจีนทหารคอมมิวนิสต์จับตัวหังอยู่ในคุกแล้วก็แล้วก็ทหารจีนก็ทารุณท่านหรือว่าทำร้ายท่าน หลายครั้งหลายคราวท่านโดนจำพวกประมาณสิบสองปีพอท่านออกมาจากพุกท่านท่านเล่าที้ฟังตอนหนึ่งว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมีเหู่ตอนหนึ่งที่ท่านโดนทรมานท่านบอกว่าตอนนั้นอันตรายมากๆเลยนะอันตรายหรือว่าน่ากลัวในการที่จะสูญเสียความมีเมตตากรุณาต่อทหารจีนที่ทาลายท่าน ท่านมองว่าไอ้ความความสูญเสียความมีเมตตากรุณาต่อคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายหรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวนี่คือผู้ที่เรียกว่ามีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยของความความโกรธเห็นโทษเห็นภัยของความไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นอันตรายมากกว่าเนาะแต่คนส่วนใหญ่นี่คิดว่า เขาทำกับเราอย่างไรเราก็ทำกับเขาอย่างนั้นนี่เป็นสิ่งที่สมควรนะนะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลแต่ผู้ที่ฝึกฝนตนนี่จะเห็นโทษภัยของความความเรียกว่าความโกรธหรือว่าความความลงผิดหรือการจองเวนกันแบบแบบเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะั่นเะนี่ยคนที่มีปัญญาจะเห็นโทษเห็นภัยตรงนี้มากนนันั้น เราจะเห็นนะาที่จริงความมีเมตตากรุณาเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาอย่างมากเลยนะมันไม่ใช่เป็นความเมตตากรุณาแบบผู้ที่อ่อนแอนะแต่เป็นความมีเมตตากรุณาแบบผู้ที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งทางจิตใจนะไม่คิดแม้กระทั่งโกรธพยาบาทเบียดเบียนนะใครต่อใครอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ที่ฝึกฝนตนเขาก็ทำกันนะ แต่บางทีเนะี่ยก็มีตัวอย่างหนึ่งมีที่ที่เมืองจีนเหมือนกันนะตอนที่คอมมิวนิสต์ยึดประเทศได้ใหม่ๆนะในสมัยนู้นก่อนมีคอมมิวนิสต์ในเมืองจีนก็มีพระมีวัดอยู่เยอะพอสมควรก็มีพระหลายๆรูปก็ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็มีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งนะถ้าออกเสียงอาจจะผิดบ้างนะ ซือหลวมพ่อซื่อยุ่นนะท่านท่านก็อยู่ที่ที่เมืองจีนทางตอนใต้ก็เป็นก็เป็นหลวมพ่อที่ที่มีคนเคารพนับถือมากนะแต่พอคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศบางส่วนเขาบางช่วงเขากา็เขาก็แบบให้พระอยู่ได้นะแต่ก็ควบคุมเรื่องการเรื่องการเรียกว่าเผยแพร่คำสอน แต่บางช่วงก็มีการทำ้ายทำลายพระหรือว่าทำ้ายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทำลายล้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนานะในช่วงหนึ่งช่วงยุคที่เรียกว่า อ, อปฏิวัติวัฒนธรรมนี่ก็จะเรียกว่าโดนกวัดล้างเยอะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมนี่แหละนะก็ทหารจีนก็มาคุมวัดที่หลวงพ่อซื้อยุ่นอยู่นี่แหละนะ ก็คุมคุมไม่ให้ท่านสอนธรรมะคุมไม่ให้ท่านออกไปไหนนะก็มีวันหนึ่งท ห, หารจีนหนุ่มๆนะก็กินเหล้าเมายากันสุดท้ายก็กลงคืนก็มามาตีมาทำร้ายนะทำร้ายหลวงพ่อซื้อยุน่นะก็ทำร้ายเรียกว่าปางตายเลยด้วนยะความคลึกขนองนะหรืออาจจะด้วยความคิดว่า ถ้าท่านตายไประคงดีจะได้ไม่ต้องมาเฝ้าอีกหรือว่าถ้าท่านตายไปอาจจะเจ้านายอาจจะเห็นว่าเออดีแล้วก็ได้มันก็ก็ทาร้ายไปได้วยความคิดที่ที่ไม่ได้อ่าเรียกว่าไม่ได้สำนึกไม่ได้คิดอะไรมากก็ทาร้ายท่านไปท่านก็เกือบตายนะลูกศิษย์ลูกหาเห็นพอตอนเช้ามาเห็นท่านนอนจมกองเลือดอาการสาหัสก็ เรียกว่ามามาดูท่านว่าจะรักษาไว้หรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้ท่านตายไปดีนะก็มีลูกศิษิ์ก็แบ่งไปสองพวกพวกหนึ่งก็คิดว่ายังไงก็ต้องลองรักษาท่านก่อนอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่าท่านก็อายุมากแล้วรักษาไปก็อาจจะไม่หายนะก็ปล่อยให้ท่านไปดีกว่านะแต่ส่วนส่วนหนึ่งก็ก็รักษาดูแลพยาบาลท่านละก่อนนะ ท่านก็ไม่ได้สตินะอาการโคม่ามากมา ก, ก็ก็รักษาไปสักอย่หนึ่งท่านก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วนะแต่แต่ก็แบบเหมือนอาการหนักมากนะก็ลูกศิ์ลูกหาส่วนส่วนใหญ่เลยก็คิดว่าหลวงพ่อไม่ควรที่จะทรมาร่างกายนะปล่อยให้ร่างกายเขาคืนสู่ธรรมชาติดีกว่านะไม่ต้องฝืนร่างกายหรอก หนว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วนะเขาก็เชื่อว่าท่านเป็นฟ้ า, ารรหันแล้วนะก็ควรจะไ ม, ไม่ต้องยึดถือร่างกายนี้หรอกนะปล่อยให้ร่างกายนี้มันตายไปดีกว่าลูกศิษย์ลูกหาทำใจยอมรับได้ถ้าหลวงพ่อจะไปเพราะว่าก็เห็นว่าอาการหนักแล้วนะแต่หลวงพ่อท่านมีแสดงอาการที่จะอยากจะมีชีวิตอยู่ พยายามที่จะพูนผูร่างกายตัเองนไม่ยอมละสังขารลุกศิษย์ลูกหาส่วนหนึ่งก็คิดว่าท่านเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เอแล้วกไ็ไม่ไม่วางเรื่องไม่ละวางเรื่องสังขารนนก็เกิดจิตสงสัยนสงสัยในตัวท่านหรือบางคนก็พลอยเรียกว่า อ, อความนับถือที่เคยมีก็กจางคลายไป แต่หลวงพ่อท่านก็พยายามฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาเจริ่งทั่งช่วงหนึ่งที่ท่านดีเจรงทั้งพอพูดได้ท่านก็อธิบายนะทำไมท่านถึงถึงพยายามที่จะฟื้นฟูนฟนร่างกายจากที่สาหัสหนักๆปางตายแล้วท่านบอกว่าท่านมีความสงสารกลุ่มทหารหนุ่มจีนที่ทำ้ายท่านเพราะว่าถ้าท่านตาย ในขนาดที่โดนเขาทำร้ายนะเขาจะต้องตนกนรกหมกไหม้ท่านพยายามฟื้นฟูร่างกายของท่านให้ไม่ตายเพื่อเขาจะต้องไม่ได้นะรับรับกรรมหนักนะหรือว่าอนันตเดียกรรมนี่ก็เห็นเลยว่าโอ้จิตของครูบาอาจารย์ที่ที่ที่มีปัญญาหรือว่าพ้นจากความทุกข์ หรือว่าพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปแล้วเนี่ยยิ่งมีเมตตากรุณามากเลท่านอุด ร, รักแม้กระทั่งหรือว่าสงสารแม้กระทั่งคนที่ทําลายท่า น, นทําลายท่านปางตายโดยเจตนาด้วยซ้ําไปนท่าก็ยังมีจิตเมตตาเพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องไปใช้กรรมหนักนเพื่อให้เขาเรียกว่าผ่อนหนักเอผ่อนจากหนักกลายเป็นเบานะ อันนี้ก็เป็นจิตที่ที่มีเมตตาแบบมีปัญญาด้วยนะนี่ก็เราเห็นในตัวอย่างผู้ที่ฝึกฝนตนดีเนี่ยก็จะมีมีเมตตากรุณามาแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังเะเอบท่านก็มีเมตตาสงสารแม้กระทั่งคนคนที่ทําลายท่านแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่มีปัญญารู้เท่าทันหรือว่าไม่มีสติยับยั้งใจของเราเนี่ยเราก็จะพลอย ทำตามความโกรธทำตามข้าออ้างของกิเลสได้ง่ายที่จริงแม้แต่ผู้ที่ฝึกฝนตนพอสมควรนะแต่บางทีถ้าเราขาดสติหรือถ้าเราโดนคำยุแยงแต่แค็งรั่วบ่อยๆบางทีก็อาจจะเผลอสติไปได้อย่างในอดีตนู่นก็ยังเคยมีตัวอย่างของ พระโมคคราณนะใช่ไหมในอดีตชาติก่อนที่จะเป็นพระโมคคราณนะท่านก็ก็เคยก็เคยทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ของตัวเองจะทั้งถึงแก่เสียชีวิตนะท่านทั้งที่ก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นลูกที่ดีแต่พอเจอผู้หญิงที่เป็นภรรยาคอยยุแยงแตะแคงรั่วว่าพ่อแมอ่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะ สามีก็เชื่อเชื่อภรรยา ม, มากกว่าม า, มากกว่าที่จะเห็นแก่ความรักของพ่อของแม่ก็ทําให้ทําร้ายพ่อแม่แตัเองเสียชีวิตใช่ไหมขนาดธระโมกคานะก็ไม่ใช่ผู้ที่เรียกว่าเป็นคนไม่ดีมาก่อนท่านก็เป็นคนดีเป็นคนที่รู้จัก บ, บุญคุณรู้จักอะไรถูกอะไรผิด แต่บางทีเนาะไอความหลงผิดเนะี่ยที่มันมีอยู่ในมีในจิตใจนะถ้าบัเพอเอิญว่าพบคนที่ไม่ดีนได้ภรรยาที่ไม่ดีก็ยึดยังแต่แข่งรั่วไปในทางไม่ดีแต่พอมาชาติสุดท้ายของท่านแม้ท่านก็ยังมีความหลงผิดในจิตใจอยู่แม้ท่านก็ยังมีความโกรธในจิตใจอยู่ แต่พอได้กัรยาบรรณที่ดีเช่นพระพุทธเจ้าก็ทําให้เปลี่ยนจากโทสะกลายเป็นไม่มีโทสะแล้วเปลี่ยนจากอาวิชชากลายเป็นผู้ที่มีวิชาแล้วแต่แน่นอนกรรมเก่าที่เคยกระทํากับพ่อกับแม่กับใครก็แล้วแต่ท่านก็ต้องได้รับผลทางกายอยู่แต่ผลทางจิตใจก็คือไม่ทุกข์เพราะว่าอดีตชาติที่เคยทํากรรมอะไรมาก็ไม่ต้องทรงไม่ต้องรับ คนทางใจละนะแต่ถ้าผลทางกายอยู่คนทางกายจะ เ, เจอความทุกข์เจอเข้ามาทําร้ายจนทั้งต า, ายไปแต่คนทางใจคือไม่ทุกข์แล้วเพราะาเพระกรรมที่ทําทําใหม่ก็คือกรรมฐานนะก็คือวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งความรู้จริงนะไม่ยึดถือมั่นในกายในใจแล้วนะ ก, ก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้คือ มันเห็นได้ว่าเออโทษภัยของความความโกรธก็ดีโทษภัยของความไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาในการออกระทาก็ดีเนี่ยมันเกิดโทษเกิดภัยทิ้งตามมาไม่ใช่แต่แต่พบนี้เท่านั้นเนาะมันส่งผลต่อพบต่อไปเรื่อยๆที่จริงถ้าจะพูดไปให้ละเอียดก็คือ มันทําให้ร่างกายเป็นอนุใสเป็นสันดานในจิตใจของเราเนี่ยแหละถ้าเราเป็นคนที่ี้โกรธแล้วเราก็มักทําตามความโกรธด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเราก็ยิ่งโกรธง่ายเราก็ยิ่งโกรธบ่อยนะต่อไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นในภพภูมิต่อไปจิตที่มันสะสมความโกรธ มันก็กลายเป็นอนุยัยที่ติดเนื่องเป็นสันดานต่อไปนะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยนะเริ่มตระหนักแล้วว่าความโกรธไม่มีโทษอย่างไรนะเราคอยมีสติคอยยับยั้งความโกรธเราคอยมีสติมีปัญญาคอยเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธนะเรามีสตินั้นปัญญาคอยเปลี่ยนอวิชชา เปลี่ยนความโกรธเป็นความมีเมตตากรุณาจิตตัวเนี้ยมันก็จะค่อยๆสะสมความมีเมตตากรุณาเข้าไปแทนที่แทนที่ความโกรธเนี่ยมันก็จะเริ่มสะอาดมากขึ้นใช่มไหมจิตตัวเนี้ยมันก็จะมันก็จะดีมากขึ้นเหมือนกับที่จริงมันก็คล้ายๆเหมือนกับแปลงหญ้าด้านหลังเนะี่ยแปลงหญ้าด้านหลังถ้าสมมติเปรียบเหมือนหญ้าเป็นอวิชาหรือว่าเป็นสิ่งที่ ที่สกรปรกเต้าหมองเราถอนหญ้าออกเราได้หญ้าออกเราปลูกดอกไม้เราปลูกต้นไม้เข้าไปแทนที่ แ, แรกๆหญ้าแล้วก็ต้นไม้มันก็อาจจะขึ้นแทรกกันเพราะว่าหญ้ามันก็ยังมียังมีรากหรือว่ายังมีไม่ได้พันอยู่ต้นไม้ที่ปลูกเข้าไปใหม่ก็อาจจะยังไม่งามนักนอาจจะยังไม่มากนัก แต่พอต้นไม้ดอกไม้มันมากขึ้นต้นไม้ดอกไม้ก็แพร่ พ, รพันธุ์หรือว่าแพร่มเมล็ดออกไปนะมันก็จะคุมพื้นที่ที่เคยเป็นหญ้าหรือว่าถ้าต้นไม้โตสูงขึ้นไปถ้าเราสังเกตป่าที่ที่ใหญ่ๆที่นานาๆจริงๆนะข้างล่างนี้จะโล่งจะเตียนจะไม่มีหญ้านะเพราะว่าอะไรต้นไม้ใหญ่มันคุมอวิ มันมันปกปุมอด้านล่างหมดแล้วนะอย่างหญ้านี่ต้องอาศัยแดดต้องอาศัยปุย๋ยแต่ต้นไม้ใหญ่นี่บังแดดหมดแล้วแย่งปุ๋ยของหญ้าหมดแล้วนะอวิชาก็ทํางานไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจของเราที่แต่ก่อนมีมีอวิชามีความโกรธมีความโลภความหลงเป็นพื้นฐาน นะแต่พอเราปลูกปลูกสติปัญญาแนละ้วปลูกกุศลนิตขึ้นไปให้แทรกซึมไปเรื่อยเนาะพื้นที่ของกุศลนิจนะก็จะไปแย่งชิงพื้นที่ของอกุศล น, นะอกุศลก็จะลดน้อยลงกุศลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะนี่ยมันก็จะจิตใจที่เคยเป็นคนขี้โกรธนะ ก็ความโกรธก็จะน้อยลงกลายเป็นคนที่มีเมตตากรุณามากขึ้นกิเลสตัวอื่นก็คล้ายๆกันความโรคก็เช่นเดียวกันความโรคความตันหนีทีเหนียวความห่วงแหนี่เป็นตระกูลเดียวกันถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนจากความโรคความตนหนีทีเหนียวความห่วงแหนกลายเป็นความเสียสละกลายเป็นความไม่เห็นแก่ตน นะกลายเป็นความมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่นนะจิตใจของเราก็จะเรียกว่าเปิดกว้างแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นนะความโลภ ก, ก็ทำอะไรของจิตใจไม่ได้แม้มีความโลภเกิดขึ้นแต่เราก็จะสระออกไปอันนี้จิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่มีทานนะมีความมั่นคงมากขึ้นความหลงก็เช่นเดียวกันนะเราเปลี่ยนจากความหลง นะเป็นความรูนะ้ความรู้ก็จะเข้ามาแทนจิตใจของเรานะให้มันมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ที่เราปฏิบัติซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันมันอาจจะพูดให้กันฟังตอนนี้ได้เนาะแต่ขอให้พวกเราทุกคนได้ลองพิจารณาตนว่ากิเลส ต, ตัวใดที่มันมีในตนมันนอนเนื่องในสันดานของตนแล้วก็พยายามเอาเอากุศลที่ตรงข้ามเนะข้ามาแทนที่นะ เข้ามาแทนที่แม้แรกๆอาจจะดูดูยากดูลําบากแต่ถ้าเราหมั่นพยายามทำมบ่อยๆนะกุศลก็จะมั่นคงขึ้นนะอกุศลก็จะห่อเหี่ยวลงไปนะกุศลก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นอกุศลก็จะลดน้อยลงไปนะแต่เราทําแบบแตบบ่ผู้ที่มีปัญญาเนาะให้มีสติรู้ทันว่าอ๋อกุศลเกิดขึ้นมันมีทุกข์มีโทษอย่างไร ถ้ากุศลเกิดขึ้นในจิตใจมันมีสุขมันมีคุณอย่างไรอันนี้มันก็จะทำให้เราทำอย่างเรียกว่ามีกาลังใจทาอย่างไม่ท้อไม่ถอยแม้สิ่งที่ทําแรกๆอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักบ้างแต่พอทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นงานที่เบาแล้วก็มีความสุขมีความพอใจมากขึ้นเนาะแค่เราพยายามเปลี่ยนตรงนี้บ่อยๆอันนี้คือการภาวนาหม เปลี่ยนจากความหลงกลายเป็นความรู้เป็นอวิชากลายเป็นวิชาเปลี่ยนอกุศลเป็นกุศลเจนทา้งกลายเป็นกุศลที่แท้จริงนะกุศลที่ไม่ยึดติดในกุศลแต่เป็นกุศลที่ที่สงบนะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยวิชาด้วยนะไม่ใช่เพียงแค่กุศลที่เสพสุขสนุกสนานตามความสุขตามความสงบเท่านั้นแต่เป็น ความสุขความสงบจากการที่อวิชชาทำงานไม่ได้หรือว่าหมดครึ่งอวิชชาเลยอันนี้คือเป็นกุศลอย่างแท้จริงนะก็ให้เราพยายามฝึกฝนไปเรื่อยเนาะนะ ก, ก็ฝากไว้แค่นี้